ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่ส6บหกันยายน2553้าห้าบามีชื่อเรื่องว่าผีเสื้อน้ำเาวันนี้พวกเราจะได้ฟังธรรมเทศนาหรือว่า แนวความคิดเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสิบตรงกับวันที่สิบหกกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาเพื่อเป็น แนวทางสําหรับพวกเราฟังเพื่อการศึกษาเพราะการศึกษาของพวกเราจะต้องได้ยินได้ฟังบ่อยๆได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนในหลักธรมรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเคยกล่าวย้ําแล้วย้ําอีกหลายครั้งว่าผู้ฟังธรรมยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัด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 ปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นต้องอาศัยได้ยินได้ฟังแล้วก็บทบทวนกันกรองไตรตองอีกครั้งว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นมีหลักเหตุผลอย่างไรถูกต้องและผิดอย่างไรอันนี้ว่าจินตามะยะปัญญาภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการ ทำจิตใจให้สงบหรือนั่งภาวนาตามหลักของพระพุทธศาสนาทำจิตใจให้เป็นหนึ่งสก่อนแล้วนำจิตใจที่เป็นหนึ่งนั้นที่สงบแล้วนั้นนำมาตันกรองไตรตรองพิจารณาเหตุผลอีกครั้งหนึ่งอันนี้เปลว่าในในทางของพระพุทธศาสนาที่ปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสโลภโกรธหลงออกออกจากจิตใจต้องภาวนาอย่างนี้ เนี่ยต้องภาวนาเมย์ปัญญาเท่านั้นที่จะชำะํำระถอดถอนกิเลสได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าเบื่ออย่าเบื่อหนายในการได้ยินได้ฟังในเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้ใข้ควรทบทวนอสิ่งที่ได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอเนกสงแห่งการฟังธรรมห้าอย่างอแล้วก็ สุแตมมยะปัญญาจินแตมมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาได้ความรู้ความฉลาดที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราจะเกิดสติปัญญาได้อย่างไรเพราะอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันเอยหลวงพ่อต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่หลวงตาจากครูบาอาจารย์จากเทป จากหนังสือจากเอ็สจากหนังสือประไตรปิฎกได้ค้นคว้าศึกษาและกแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ชีวประวัติของท่านก็ได้ค้นคว้าศึกษาองค์นี้ท่านปฏิบัติท่านทําอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านทําอย่างไรท่านจึงได้ผู้อัดเถรทำในแนวทางของท่านและจากนั้นก็ท่านก็ได้แสดงธรรมเทศนา ตางกลัมต่างวาระพวกเราก็ได้ศึกษาคนา้นคว้าอันนั้นคือถ้าเราศึกษาแต่พระไตรปิฎกอย่างเดียวทางไ่ได้ศึกษาแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วโดยมากเราจะไม่ค่อยเข้าใจพรารับพระธรรมคำสอนท่านจะให้ท่านอธิบายละเอียดทีท่วนทุกอย่างและคงจะได้ยากเพราะท่านก็จะพูดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่เมื่อครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติเห็นผลอย่างไรประสบการณ์อย่างไรรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรท่านก็จะได้นำํำทำคําสอนในที่ท่านได้ประสบการณ์มานั้นมาแยกแยะอีกทีหนึง่งเพื่อพวกเราจะได้ฟังให้เต็มเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นเหมือนกับลูกของท่านแต่ละคนทุกศิษย์ลูกหาแต่ละท่านแต่ละคนถ้าว่าลูก ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้เรื่องดีแล้วะท่านก็ให้อข้าวอาหารให้อยู่ให้กินอท่านกินยังไงท่านก็แบ่งให้อย่างนั้นแ้าแนบแนวให้อย่างนั้นแต่ว่าเด็กเล็กน่ะะท่านจะให้อย่างไงจะให้เหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าต้องอาหารที่บดละเอียดอแล้วผสมกับอะไรทานเข้าไปแล้วจะไม่ให้ท้องเสียจะเคยเลี้ยงเด็กมาอย่างไรท่าน ได้ประสบการณ์กับตนเองมาอย่างไรท่านก็จะได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือเป็นแนวทางแต่ละครูบาอาจารย์นี่ก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ว่าคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันบางองค์ท่านก็จับประเด็นหนึ่งบางองค์ท่านก็จับประเด็นหนึ่งบางองค์อะอย่างสติปฐานสี่คือเป็นแนวทางเอาไว้แล้ว จะติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแต่องค์ไหนจะยึดตัวไหนจะยึดจะไในชูประเด็นไหนที่ท่านได้เป็นผู้มั่นใจที่ท่านได้รับมรับผลในการพิจารณาและการกานกรองไต่ตรองของท่านอันนี้ท่านก็จะชูประเด็นของท่านที่ได้ประสบการณ์หรือท่านได้เจอมากับตัวของท่านเองแต่บางองค์ท่านก็ชูเรื่องกาย บางท่านก็ชูเรื่องเวทนาบางทีชูเรื่องของจิตอบางทีบางท่านก็ชูเรื่องของธรรมถ้าเปรียบเทียบ er <mes il> อีก <Regierung> ให้เห็นอย่างชัดเจนก็เหมือนกับพวกเราทํามาค้าขาย่ะหลวงพ่อว่านะคือพวกเราทํามาค้าขายจะให้ทําอย่างเดียวกันก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งก็ทํามาค้าขายอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ทํามาค้าขายอย่างหนึ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนะี่ะแต่ว่าผล ที่ได้มาก็คือเงินเออคือเงินที่พวกเราได้มาใครได้มามากน้อยแค่ไหนเราจะไปดูถูกเขาอย่างเดียวไม่ได้ปเปิดทำนาเน่ะแต่สู้ค้าขายไม่ได้ถ้าเขาทำนายเป็ น, เ ข, นเขาทำนามากแล้วก็ททำนาต่อเนื่องเอ่อผล น, นสุดเขามีที่ไร่ที่นามากผลีนสุดเขามีโรงสีเองแล้วก็สง่สงข้าวออกนอกเองไงเออมันก็ดีกว่าอย่างอื่นก็มีตัเยอะแยะ ถ้าเขาทำจริงจังนี่แหละการทำมาค้าขายเราจะไปดูถูกว่าอันนั้นเล็กอันนี้น้อยไม่ได้แต่ถ้าว่าใครมีความจริงจังและจริงใจใครมีปัญญามากน้อยกว่ากันที่จะทำกิจการงานหรือเรื่องนั้นๆให้เจริญก้าวหน้าได้อันนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้ปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละองค์ที่ท่านเขาอยู่ป่ารงพงไพหรือว่าท่านได้ปฏิบัติ บางท่านท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในป่ารงพงศ์ไผ่แต่ท่านอยู่ในเมืองแต่ท่านไม่คุกครีอท่านเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้อยุคอยากจะฟังดูว่าตัวอย่างนะในยุคปัจจุบันล่ะหลวงพ่อในยุคปัจจุบันเนี่ยครับท่านจุกุลนออที่พระอยู่ในกรุงเทพแท้แท้ท่านก็อยู่ในกรุงเทพท่านไม่ได้ไปทุ่งโรงที่ไหนแต่ท่านภาวนาของท่าน เอาจริงเอาจังาจาท่านไม่คุกคลีกับใครๆทั้งหมดาจากท่านขอ้อนี่แหละ อ, อธิษานของท่านก็ได้สำเร็จแล้วครูบาอาจารย์ของเราก็ยอมรับอย่างองหลวงตายท่านยอมรับเจ้าคุณนอนไม่เป็นอย่างอื่นเป็นพระทหาร อ, าอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยอมรับถึงท่านไม่ได้ออกปา่าเที่ยวภูผาปา่าไม้ออกผู้ดงแต่ใจของท่านออกผู้ดงคือ หา ม, มสงบแต่บางคนก็ไปเที่ยวป่ารงพงไพยก็เถอะไปอยู่ภูผาป่าไม้ขนาดไหนก็เถอะแต่ว่าคิดออกไปข้างนอกคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองคิดถึงเรื่องราวอะไรตัวมิอะไรอันนั้นแปลว่าร่างกายอยู่ในป่ารงพงไพยเท่านั้นแต่จิตใจออกไปวุ่นวายกับโลกภายนอกอันนี้นแปลว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่าทางที่ถูกต้องถึงเราจะอยู่ในที่วุ่นวาย แต่เราก็หามุมสงบอหาทางพ้นทุกข์กับเรานี่แหละการสแสวงหาธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละกลุ่มแต่ละหมู่แต่ละคณะแต่ละองค์แตกแตกต่างกันแต่ถึงยังไงถึงจะหาอย่างไงก็อยู่ในกรอบของสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายพิจารณากายกําหนดลมหายใจเข้าออกก็เอากายกําหนดตือขาขวาพุทขาซ้ายโถ ภาวนาก็เอากายกําหนดหรือให้มีสติอยู่กับกายของตนเองเอให้เอาสติอยู่กับการนั่งเดิมขณะนี้เรานั่งให้มีสติอยู่กับกายของตนเองอันนี้ก็คือมีสติอยู่กับกายส่วนเวทนาก็คือการเจ็บปวดเีหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกก็คือเวทนามีความสัมผัสเอหนาวพร้อนออย่างนี้เป็นตน้น อันนี้ก็คือเวทนาเวทนามีสองเวทนากายเวทนาจิตเวทนากายก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเรานั่งปวดแข้งปวดขาร้อนอหนาวอย่างนี้อันนี้หรอเวทนากายส่วนเวทนาจิตสิ่งที่มากระทบมันมีความทุกข์อยู่ในใจเอมีความไม่พอใจเกิดขึ้นอหรือว่าสิ่งที่พอใจเกิดขึ้นก็มีความสุขคำว่าสุขเขเวทนา การสิ่งที่ไหนที่ไม่พอใจเราบอกทุก เ, เวทนามันก็อยู่ในใจอีกเหมือนกันในเวทนามันมีกายและกับใจดะนั้นจิตตาลุ ป, ปัตนสติปัฏฐานก็ดดูดูความนึกคิดของจิตขณะในี้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรไม่มีใครที่จะรู้เพราะนั้นให้ตามดูจิตความนึกคิดของตนเองให้มีสติสัมปชัญญะนึกดูให้มีสติแล้วก็ น, นึกดูดู ใจของเราเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละอันนี้ก็คือว่าจิตตานุ ป, ปัฏนานสติปัฏฐานธรรมานุ ป, ปัฏนาสติปัฏฐานก็คือธรรมาลมสิ่งที่มากระทบจิตที่มาสิ่งที่มากระทบใจอถ้ามากระทบแล้วใจของเราเป็นยังไงดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยอันนี้ว่าธรรมาลมที่มากระทบใจ คนนั้นหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพระพุทธเจ้าวางไว้ทุกศิษย์หรือว่าพุทธรบริษัทของพระองค์ให้กําหนดรู้เพื่อให้ภาวนานอยู่ในกรอบของสติปัฏฐานสี่ท่านี้กับสติปัฏฐานสีนี่เราจะกําหนดไปทีละอย่างละอย่างอย่างนั้นใช่ไหมแบที่จะกําหนดกายแล้วกาหนดเวทนาแล้วกาหนดจิตและกําหนดธรรมอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้น ตามที่แนวแถวที่คุณแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวท่านบอกว่าจะเอากรรมฐานไหนก็ได้จะสติปัฏฐานไหนก็ได้คือเอาเวทนาหรือเอาจิตหรือเอากายหรือเอาธรรมอะไรอันหนึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับเราจับร่างแหย่ยังไงแต่เราจับขึ้นมาตาแหยไหนกับเป็นพวนขึ้นมาได้คือมันเป็นอันเดียวกันมันเกี่ยวเนื่องกัน ถึงจะพิจารณากายใครเป็นคนพิจารณามันก็เข้ามาถึงจิติการพิจารณาเวทนาจะพิจารณาอย่างไรมันก็ใจจิตของเราเป็นผู้รับรู้จะพิจารณาตัวจิตตาลุกปัญญาสติปัฏฐานกค็คือนั่นก็คือจิตที่รับรู้เรื่องของจิตของใจธรรมาลมก็เหมือนกันสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยเป็นผู้รับรู้ทั้งกายเวทนาจิตธรรม แต่ทำไมท่านจึงให้พิจารณาทั้งสี่อย่างคืออุปนิสัยของคนมันแตกแตกต่างกันบางคนก็ชอบกําหนดดูจิตดูจิตใจก็จิตใจพ่อรวมสงบลงได้เพราะดูใจมันไม่มีที่ไปเพราะว่าใจของเรามันจะก้าวไปในสติของเราจับจ้องดูใจของตนเองอันนี้ใจพวกเราก็สงบได้กับพิจารณาธรรมมา สิ่งที่มากระทบจ้องดูกําหนดดูที่มันจะมากระทบสิ่งที่มากระทบใจเราก็รู้ว่าจีตมันกระทบใครเป็นคนรู้ว่ามันมากระทบกระใจอีกอย่างกนึ่และก็เวทนาอีกหนึ่งเวทนาเจ็บปวดใครเป็นคนรู้กับเวทนาก็คือใจเป็นผู้รู้เวทนาและกําหนดดูกายกายยานุปทานสติปัฏฐานกายใครเป็นคนรู้กระใจเป็นคนรู้เวเวทนาไอ้กาหนดดูกายคือลมหายใจเข้าออก เพราะ น, นั้นสรุปแล้วก็คือถึงจะจับมุมไหนก็าตามมันก็เข้ามาสู่ใจทั้งหมดเพราะท่านพวกเราอย่าสงสัยในการพิจารณาสติปัฏฐานสี่กายเวทานาจิตธรรมแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านให้กำหนดกำหนดกายเพราะเหตุใดเพราะกายมันเป็นของหยามองเห็นด้วยตาเนื้อแล้วเห็นกันด้วยมีความรู้สึกด้วยเพราะนั้นท่านจึงให้ดูกายขณะดูกายนี่นก็ยัง จับไม่ได้จับลมไม่ได้ยังเผลอไผลไปที่อื่นยังลืมยังหลงไปอีกยังขาดทติในการจับลมอีกแล้วจะไปจับเวทนามันละเอียดเนละเป็นนามธรรมหรือเวทนาเอแต่ว่าเราก็รู้ว่าเป็เวทนาคือแต่มันเป็นนามธรรมมันมองไปเห็นด้วยตาเนื้อแหละแล้วจิตตานุปัชนาเอเรื่องของจิตความลึกคิดอ่ละเอียดเข้าไปอีกเรื่องของธรรมอีกละเอียดเข้าไปอีกแต่ขณะที่จับกายก็ยังจับไม่อยู่แล้วจะจับ เวทนาจิตธรรมมันเป็นเรื่องของยากแต่จับเวทนายังรองลงไปอีกการจับการกาหนดรู้ของเวทนา เ, เรื่องของกายแล้วก็ของเวทนารองลงไปส่วนจิตกับธรรมนั่นะจิตตามุปฒนากับธ ร, รมมาุปฒนาจติปัฏฐานละเอียดนะ เ, เพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ภาวนากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก แต่ตามไม่จริงทั้งสี่อย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะเออมันถึงไหนมันเรื่องอะไรมันโยงมาถึงตัวผู้รู้คือใจทั้งสี่ทั้งสี่อย่างเอ้เพฉะนั้นจะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็ถึงใจอย่างเก่ า, าสรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านจะชูประเด็นไหนขึ้นมาให้ลูกศิษย์ของท่านให้กำหนดรู้ บางทนบางท่านก็ชูประเด็นกายอย่างหลวงปู่มัน่นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นท่านจะชูประเด็นเรื่องกายเพราะเป็นของอยากกำหนดลมเลยสิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนแต่สายอื่นท่านก็กำหนดเวทนาให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายบางท่านยุคนี้สมัยนี้เรมีครูบาอาจารย์ให้กำหนดดูจิตสิความนึกคิดของตัวเองนึกคิดเรื่องอะไรกาหนดดู แต่แตามไม่จริงเพียงจะกําหนดดูมีสติในกําหนดดูจิตเท่านั้นยังไม่เพียงพอเมื่อกําหนดดูจิตและจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะต้องนําจิตนั้นมาพิจารณาใครเป็นคนรู้ว่าจิตจิตของเรามีอะไรมันลุ่มหลงเรื่องอะไรมันลุ่มหลงเรื่องกายใช่ไหมใจของเราจิตของเราลุ่มหลงกายใช่ไหมอันนี้แหละเราก็ต้องกําหนดดูอีกอต้องใช้ใจของเราดูอีกดูกายอีกะ นี่แหละจากนั้นก็อนย้อนไปหาใจอีกสรุปแล้วก็คือให้ดูกายให้ดูใจให้ดูใจให้ดูกายผัดเปลี่ยนต่างกล้ามต่างวาระในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าสับสนในการศึกษาในการได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราฟังแล้วให้พวกเราดูให้ฟังให้สังเกตอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะ ไม่นอกเหนือจากสติปัญฐาสี่สรุปแล้วเพียงแต่ว่าเราหรว่าท่านจะเอายกประเด็นไหนมาค้ามามามขึ้นมาพูดเท่านั้นเองชูประเด็นในการแนะนําของท่านแต่เพื่อผลประโยชน์อะไรก็เพื่อทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วทําให้จิตใจรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมัน สรุปแล้วก็คือเข้ามาหาใจอีกอย่างเก่าเพราะั้นการภาวนาร่าการดูจิตติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องกำหนดรู้ให้รู้แล้วก็การฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อแนะนำแนะนำในการฟัง อย่างฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแต่แล้วกลางกลางคืนโอกาส ว, ว่างๆพวกเรานั่งฟังอยู่ตามลำพังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมีหน้าที่อย่างพวกเราเป็นพระอยู่ในวัดของหลวงพ่อสามสิบหกองกลางคืนพวกเราไหว้พระซะกอ่อนพอไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ น, นั่งภาวนาเลยกำหนดลง จากนั้นเราก็เปิดวิทยุของหลวงตาฟังอบรมพระสถานีวิทยุอบรมพระเรานั่งคัสมาธิเหมือนกับเลาเรานั่งภาวนาเพราะพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระในครั้งพุทธการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระสงฆ์ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลมีมากต่อมากไม่แพ้เลยไม่แพ้ที่พระสงฆ์ทำความภาคความเพียรเลยอาจจะมากกว่าอีกต่างหาก บางทีได้สำเร็จเป็นยี่สิบสามสิบเป็นร้อยก็มีที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเพราะฉะนั้นเราอย่าอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามในการฟังธรรมถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะแนวพิจารณาในการภาวนาของท่านท่านแนะแนววิธีการกําหนดพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราก็พยายามเดินตามแนวแถวที่ท่านบอกแนะแนะแนวจากนั้นบ่อวิธี ทิ้งทวนเรีวยกว่าเบื่อหน่ายคลายต้องทิ้งอย่างนี้นะต้องกําหนดอย่างนี้นะต้องดูจุดนี้ให้ดีนะอันนี้จังนะของไม่เที่ยงนะทุกขังเป็นทุกอนาตาม่ใช่ตัวตนของเรานะดูให้ดีนะจุดนี้นะอันนี้เราก็จะได้รู้ในขณะที่เราฟังเพราะฉะนั้นเราเราฟังธรรมจะเกิดประโยชน์อย่างมากถ้าเราถ้ารู้จักฟังธรรมเป็นนะือคือการฟังธรรมเราจะไปเอา กายไปฟังสถานีวิทยุไปฟังวิทยุอย่างเดียวเราให้กําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่ว่าอยู่ในติปตปฐานสนะี่น่ะอย่างที่หลวงพ่อพูดกายเวทนาจิตธรรมถ้าเราถนัดอันไหนในกรรมาฐานเนี่ยทั้งสี่อย่างกายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งเรากําหนดลมหายใจเข้าออกคือปิกกายไงเราก็จิตของเราอยู่ในลมหายใจเข้าออกวริกรรมพุท หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุโทโธพุทธโธเวลาธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเข้าทางหูพอเท่าทางหูมันก็ถึงใจพอถึงใจเราก็รับรู้รับรู้ในใจเราไม่ต้องฟังเพื่อจำเราไม่ได้ฟังเพื่อจำเราฟังเพื่อรู้ระวังเพื่อรู้กับฟังเพื่อจำใน่างหนาถ้าฟังฟังฟังเพื่อจำเราจะได้กำหนดตัวท่านพูดเรื่องอะไรเราจะเลียงลากับ เรียงลำดับในการฟังของเราแต่เราฟังเพื่อรู้เราดูที่ใจของเราพอดูที่ใจของเราได้ยินเสียงเข้ามาที่ใจของเราพอฟังแล้วเราก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางรู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้เท่านั้นเองรู้ว่าท่านพูดอะไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจตามลำดับลำดับที่ท่านอธิบายให้ฟังท่านจะพูดถึงเรื่องอันนี้จังก็เข้าใจท่านจะพูดถึงเรื่องทุกขังก็เข้าใจ ถึงจะพูดเรื่องอนัตตาก็เข้าใจถึงพูดถึงเกิดแก่เจ็บตายก็เข้าใจถึงท่านจะพูดเรื่องกิเลสโลโภโกรดหลงก็เข้าใจถึงจะพูดเรื่องจะปล่อยวางยังไงจะทิ้งยังไงจะปล่อยวางยังไงไม่ยึดมั่นถือมั่นยังไงเราก็รู้ในใจของเราเนี่แหละคือการฟังธรรมฟังดูที่ใจปล่อยวางที่ใจนี่แหละในครั้งพุทธการที่6 พ, พระสงฆ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระโพธจญา แต่ผู้เผยเจ้าท่านก่อนที่จะจะแสดงธรรมท่านก็มองด้วยญาณทัศนะของพระ อ, องค์ซะก่อนว่ากลุ่มนี้สงกลุ่มนี้ญาติโ ย, ยมกลุ่มนี้ใครวันนี้จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วท่านก็จะได้มองกว่าดูด้วยเลด้าของท่านจากท่านเท่ากับเน้นหนักจุดคนคนนั้นแหละต้องพิจารณาอย่างนี้นะแต่คนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่รู้แต่คนที่ที่ถูกถูกที่ท่าน แนะนำนั่นะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วปล่อยวางก็ได้สําเร็จมากสําเร็จผลอจบแปลว่าหมดหน้าที่ของพระพุทธเจ้าในคนคนนั้นเอาดูคนอื่นอีกต่อไปเนี่แหละอันนี้คือการเทศโปรดในครั้งพุทธกาลฟังเข้าใจแต่พวกเราทุกวันนี้<ฮ>จะเป็นพระก็ดีจะเป็นญาติโยมก็ดีฟังธรรมเทศนาของหลวงตาหลวงพอ่อเป็นห่วงเหลือเกิน วพวกเราทั้งหลายจะถือเป็นของเล่นเป็นของไม่ใส่ใจบางทีนั่งคุยกันหันหลังคุยกันเทบกระโปงเปิดไปปิทยุก็เปิดไปสูุภุรีอีกต่างหากเผยๆกินน้าสาพูดกันขโมงโค้งเข็งพูดออกหมัดออกงวยอีกต่างหากพูดเรื่องสับเพรเหระอีกต่างหากทั้งที่ฟังเทศไปนี่แหละหลวงพ่อว่าต่อไปจิตใจของเราจะดื้อด้านเลยเพราะเหตุใด เพราะเราใจของเรามันได้ไม่ได้กั้นกรองเหตุและผลเพราะทําคําสอนอที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศออกไปนั้นล้วนแล้วจะเป็นเหตุเป็นผลทั้งนะั้นแต่พวกเราเนี่ยผู้ฟังเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่ได้ใส่ใจไป น, นั้นเหมือนศาส์น้ําใส่หลังหมาเนี่ยเอาทำศาสตรน้รําใส่หลังหมาเอ่สบัดแล้วสบัดอีกอย่างงเายเผลอหมาจะําคาญอีกต่างหากไม่รู้เสียงอะไรเนี่ยพราะนั้นใจิตใจของเรามันต้าน พอจิตใจด้านเลยเหมือนกับดินมันด้านเนี่ยเทน้ําไม่ลงถือว่าเป็นธรรมดา เ, เหมือนกับเสียงอะไรก็หมายลุกครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นเสียงอัดเสียงทำเป็นเสียงที่จะชําระจิตใจภาวนาเข้าไปแล้วเพื่อจะทําให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เบือ่อโลกวัฏสงสารหันหน้าต่อมรรคผล น, ผนิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแต่เรา พอฟังไปแล้วมันไม่ได้คิดอย่างนั้นเ อ, อเพียงแต่ว่าฟังแล้วก็อยากได้บุญตัวเองพออยากได้บุญแล้วก็ฟังไปพอฟังเพ้อเผ้อจะเป็นบาปอีต่งางหากพอฟังแล้วมันลำคานเสียงเวลาจะคุยกันก็ไม่ได้คุยถนัดเพราะเสียงมันรบ ก, กวนเอาปิดปิดปิดะอย่างนี้เนี่ยจากนั้นก็ไปปิดซะแล้วก็มาคุยกันทีจากนั้นก็มาเอาเปิดเปิดดูซิตรงตาพูดอะไรเอกูบาอาจารย์พูดอะไร ก็ได้เพียงแค่นั้นที่จะฟังเพื่อมรักเพื่อผลฟังเพื่อสวรรค์นิพพานฟังเพื่อหาความรู้ความฉลาดเข้าตัวเองโดยมากเออหงพ่อเป็นห่วงจุดนี้คือไม่ได้ฟังด้วยความตั้งใจไม่ได้ฟังด้วยความสนใจเออไม่ได้ฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจอยากจะรู้อยากจะเข้าใจอถ้าเราเปรียบเทียบกับชาดกแกชาดก ที่แันทกมุมานชุริยะกุมารไปพบกับรากบดรากบดคือคือผีเสื้อน้ำอยู่ในป่าอยู่ในสระน้ำเป็นลูกพระเจ้าเป็นดินเพราะว่าพ่อเนี่ยแต่งงานกับอัคคมเหสีใหม่ก็ได้ลูกขึ้นมาพ่อก็พังเผอพระวาจาออกไปว่าถ้าเจ้าต้องการอะไร เ, เราจะประทานพรให้ทุกอย่าง กาลืมคิ ด, ดว่าทุกอย่างนั่นคืออะไรแต่ที่ตัวเองก็มีลูกกับพัญญาคนก่อนอคคะเมเหศีคนก่อนสองท่านลูกชายแต่อัคคะเมเหศีจะสวรรคตไปแล้วก็เลยแต่งงานกับอคคะมเหศีใหม่พอได้ลูกออกมาก็รักลูกคนใหม่พร้อมอคคะมเหศีใหม่ก็เลยประทานพรนะเจ้าต้องการอะไรให้เจ้าขอพร อ, อได้ตามต้องการ ทางนาอคคมเหสีใหม่เลยครับพญาฆารับป่ากไไวในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าต้องการเมื่อไหรความเหมาะสมข้าพระพุทธเจ้าจะขอเมื่อนั้นพยาฆาอัคคมเหสีใหม่ฉลาดเพราต่อมาต่อมาลูกชายตัวเองก็ใหญ่ขึ้นมาด้วยสุริยะกุ ม, มารเป็นน้องน้อย แต่นี้ก็นางก็ได้ทีอะไร่ยเออเออเขาไปกราบถูกระราชาดให้มอมฉันขอราชสมบัติให้แก่ลูกของฉันพระเจ้าเป็นดินสะดุ้งโยงเอาไม่ได้เพราะว่าลูกของเราทั้งสองคนเป็นพี่ของเขาน่ะจะให้ลูกคนเล็กได้ยังไงอมันผิดกฎมนเทียนบานของเขา เ, ออเขาจะต้องให้คนโตทำไมคนโตกับคนเล็กเว้นเสียทุกคน มันผิดปกติของของการเป็นอยู่อย่างเนี้ยไอ้อันนี้เขายังสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอีกต่างหากและจะไปให้คนน้องคนเล็กได้อย่างไงไม่ได้เราประทานพรให้ไม่ได้ครั้งนี้ก่อนนางนี่ก็ลบเล้าขึ้นมาวะเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสอย่างไงเออจะเกินคําตัวเองได้อย่างไรเป็นพระเจ้าแผ่นดินฮะ ตอนี้พระเจ้าประเดิงก็สือมกเหมือนกันพ่อได้เป่งวาจาออกไปแล้วโดยชัดเจนใครๆก็ได้ยิ น, น, นจากนั้นพระเจ้าประเดิงก็เอารับไว้พ่อต่อมาท่านก็ไม่สบายพระไทยก็เรียกลูกชายที่เป็นลูกอัคคะมเหศรีขนก่อนเข้ามาหาเอาลูกพ่อได้พังเผอพระวาจาไปแล้วเพอาะพุกพ่อเนี่ยได้ประธานพร ให้แกอัคคมเหสีใหม่แม่แม่ใหม่ของลูกนะเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาคำสัตย์เพราะเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องรักษาคำสัตย์ถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่รักษาคำสัตย์ก็ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างไรอันนี้เราเปล่งนออกไปแล้วเป็นการผิดพลาดของพ่อเองขอให้ลูกออกไปอยู่ในชนน้ำบดก่อนนะไปอยู่ในป่าดงพงไพซะก่อน เมื่อพ่อสวรรคตรแล้วยังค่อยกลับมาเข้ามาคองราชสมบัติแทนพ่อต่อไปอันนี้ก็คือพ่อบอกลูกชายพ่อลูกชายได้ยินเท่านั้นก็เสีย อ, อกเสียใจเป็นธรรมดา ร, อรอ้องห่มร้องไห้เพราะเป็นหนุ่มอยู่เลยจากนั้นก็ต้องปลบหนีออกไปอยู่ป่าก่อนที่จะออกไปน้องชายคนเล็กเนี่ยพ่อเล่นมนุษย์ด้วยกันที่น้องสามคนถึงจะเป็นลูกต่างมารดาก็ถึงก็เล่นด้วยกัน สนุกสนานโดยกันมันเด็กพอเห็นสองพี่ชายถือกระเป๋าหนังใส่หลังขึ้นไปอะไรไปเดินทางออกไปถามว่าพี่พี่พี่พี่จะไปไหนเออพี่จะไปป่าอยู่ป่าเฮ้ยผมขอไปด้วยอยไปไม่ได้เพราะว่าอพระบิดาเอท่านให้พี่ไปสองคนเท่านั้นน่ะให้น้องอยู่ซะไม่ได้ไม่ได้ถ้าพี่ไปผมต้องไปห้ามยังไงก็ไม่ฟังเอาไปก็ไปเลยกับดวยไปด้วยกันทั้งสาม น้องต่างมันดาด้วยพอเดินเข้าไปในป่าป่าดงลึกพือ น, นั้นเดินอยู่หลายวันกินอาหารทานอาหารไปเรื่อยพอไปเห็นสระน้ำอยู่สระหนึ่งอยู่ในป่าดงพอไปเห็นสระน้ารู้สึกว่าโอ้หน้ารื่นรมสระนี้มีดอกบัวมีใบบัวใบใหญ่แต่เดินพรโพริสัตว์เนี่ยเดินเดิน ด, น ด, นดูดูน้ำใสสะอาดแต่ก็ไม่มีรอยสัตว์ไม่มีรอยสัตว์ลงไปกินน้ำเลย แปลกปกว่าก็เลยมานั่งอยู่ต้นไม้พอนั่งอยู่ต้นไม้เสร็จแล้วก็บอกให้น้องน้อยคนจุดทองอน้องไปเอาน้ามาดื่มไปมาให้พี่ทั้งสองคนดื่มนะเอาเธอดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาใบบัวห่อมาเอามาให้พี่ดืม่มน้องชายคนเล็กอะไปเลยว่างั้นคงจะไม่เล็กเท่าไรละคงจะ ประมาณสิบสามสิบสี่ปีกำลังใช้คล่องเนี่ยคงจะไล่เลียกันเนกัดไปจากนั้นกตัวเองก็เดินลงไปพอเดินลงไปรากบดคือผีเสื้อน้ำนที่รักษาสะนั้นอยูย่คือได้รับพรจากเทวเวศสุวันว่าถ้าผู้ใดก็ตามไม่รู้จักเทวธรรมให้จับกินเป็นอาหารได้ทีนี้ก็ได้รับพรเนี้ก็คือรักษาเนี่ย ถ้าสัตว์ตัวไหนถามดูไม่รู้จักจริงเลยอย่างนั้น่ะจับกินเป็นอาหารเลยและวได้รับพรจากเทเวชูวันมาอย่างนั้นจากนั้นแต่จักษ์ตอนนี้ก็เห็นอาทิตยตะกุมมา เ, เดินลงไปพอลงไปเขาก็จับจับก็ถามว่าคนรู้ไหมบ้าเทวธรรมนั้นคืออะไรอเทวธรรมมันคืออะไรรู้กันพอเด็กกลัวเนี่ยรู้ เทวธรรมคืออะไรคือพระอาทิตย์โอ้ไม่ใช่ตอบไม่ถูกเขาก็จับไว้ในไตน้ำอีกเนี่ยอเอาไปขังไว้ประมาณนั้นพอต่อมาอีกน้องชายคนที่สองอพี่ชายเห็นเอ๊ะไมน้องชายหายเงียบไปก็เลยเอ๊ะไปน้องคนที่สองไปจันทกุ ม, มารเนีไปหาแป่เอาน้มามาดื่มไปเต็นให้น้องชายก็ไปอีกไปก็ไม่ได้สังเกตอกอย่างวางเ ลงไปก็ลงไปดื่มน้ําเสร็จแล้วก็จะเอาน้ําขึ้นมาลากโหวดก็จับอีกแล้วจ่าไปถามอีกท่านรู้ไหมเทวธรรมคืออะไรรู้เทวทรรมคืออะไรคือพระจันทร์ไม่ใช่จับไปอีกคนหนึ่งว่าพระอาทิตย์คนหนึ่งว่าพระจันทร์เหมือนกัอนะลากโหวดก็จับอีกทตนี้ก็รอคอยออบัณฑิตที่เป็นพี่ชายใหญ่ คนนั้นก็นั่งคอยเอ๊ะไม่เห็นน้องมาก็เลยถือธนูไปอถือธนูไปด้วยก็เอาชักดาบออกมาด้วยแบบนั้นเถอะคือแก่ว่าเตรียมพร้อมเลยแั้นเถอะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะไปสู้กันเลยแบบนั้นเถอะธนูก็เตรียมไปพร้อมลูกธนูก็เน็กไปพร้อมเลยแบบนั้นเถอทะทีนี้ก็ไปสังเกตดูเนี่ยบัณฑิตเนะี่ยบัณฑิตนักปราชต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่พี่พรามเนี คืบทําอะไรต้องดูให้สังเกตให้รอบคอบการที่จะเข้าไปชุกชนสังคมไหนก็ตามถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต้องดูให้รอบคอบอย่จับพี่พรามเข้าไปอันนี้ท่านบัณฑิดท่านก็เข้าไปดูดูดูรอยดูขอบสาอีกทีหนึ่งไม่มีขนาดน้ําขนาดอยู่ในป่าโดมพงไฟสัตว์ป่าก็มีตั้เยอะแยะแต่ไม่มีรอยสัตว์ลงไปกินน้ําเลย ต้องมีรากปดแน่ๆต้องมีผีเชื้อน้ําแน่ๆอยู่ในสระนี้ต้องรักษาสระนี้ถ้าได้ท่านก็ไปยืนพิงต้นไม้กับธนูเนี่ยว่าเตรียมพร้อมแล้วงั้นเถอะถ้าเห็นอะไรมาก็ไปว่ายิงกันเลยแล้ว่างั้นเถอะแต่น้องชายสองคนหายไปแล้วหายไม่รู้หายไปไหนอีกสักพักหนึ่งรากปดผีเสื้อน้ําเท่านั้นก็ไม่เห็นบัรดิตให้ลงไปท่านก็ ปลอมแปลงตัวเข้ามาทีไรเข้ามาเป็นคนเข้ามาท่านบัณฑิตเนี่ยท่านทําไมไม่ลงไปดื่มน้ำให้สบายใจแต่นี้บัณฑิตก็ดูมองดูอีกเลยเห็นคนคนนั้นอ่ะที่แปลงตัวมาเนี่ยตาแดงเหมือนันนะแล้วก็ตาให้กับพริบอีกตาไม่กับพริปิดแล้วก็ตาแดงท่านก็รู้เลยอันนี้ไม่ใช่มนุษย์แลนะ้วเป็นอ ม, มนุษย์แลนะ้วเป็นผีหวังพูดง่าย ไม่ใช่มนุษย์ท่านก็ถามว่าท่านเป็นอมนุษย์ใช่ไหมพวกนั้นมันคือไม่ไม่เคยโกหกกีนแล้วเนี่ยโกหกไม่มีละพวกพวกอมนุษย์เนี่ยใช่ฉันเป็นอมนุษย์ทําไมเพราะว่าข้าพเจ้ารักษาสานีิได้รับพรจากเขาเวทสว่วนถ้าใครไม่รู้จักเทวธรรมจะต้องจับกินเป็นอาหารทั้งหมดถ้าท่านรู้เทวธรรม เราจะให้ท่านลงไปดื่มน้ําตามสบายแต่คนไหนไม่รู้จักเทวธรรมข้าพเจ้าจะจับเป็นอาหารทั้งหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ทางบัณฑิตนี้ก็บอกว่าเรารู้เทวธรรมถ้าอย่างนั้นท่านจงแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าฟังดูสิเทวธรรมนั้นคืออะไรท่านแสดงให้ข้าพเจ้าฟังสิบัณฑิตบอกว่ายังไม่เหมาะที่จะแสดงให้ท่านฟังนี่แหละ จุดนี้แหละพวกเราสนใจให้พวกเราฟังเอาไว้นะทีนี้่จุดนี้่ท่านจะทํำยังไงถึงท่านจริงจะแสดงเคียวธรรมได้บัณฑิตก็บอกว่าท่านต้องตักน้ํามาให้เราอาบชาระ ก, กายซะก่อนกายของเราบริสุทธิ์ซะก่อนเราอาบน้ําให้ชําระกายของเราให้สะอาดซะก่อนแล้วให้เราทานอาหารให้อิ่มน้ำซ้ำลานซะก่อน เมื่อเราได้ฐานอาหารร่างกายของเราเอไม่มีเหงื่อและก็เชื้อผ้าของเราสะอาดเมื่อนั้นท่านก็ต้องตั้งอาสนะขึ้นมาให้สูงให้ตั้งอาสนะให้สูงเหมือนกนระทำมาศและให้ท่านนั่งอยู่ข้างล่างนักเมื่อก็ข้าพเจ้ากล่าวทำท่านต้องประนมมือฝังเมื่อนั้นและข้าพเจ้าจริง จะแสดงเทวธรรมให้ฟังถ้าว่าท่านไม่แสดงความเคารพข้าพเจ้าจะไม่กล่าวเพราะอันนี้เป็นธรรมของสัตว์รุษเป็นธรรมของบรรพบรุษเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นธรรมที่อันบริสุทธิ์ไม่ใช่ธรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนธรรมเท่านั้นเองแต่ธรรมอันนี้เป็นธรรมอันบริสุทธิ์เพราะนั้นท่านอยากจะฟังธรรมท่านอยากจะรู้ธรรม ต้องปฏิบัติอย่างที่ข้าพเจ้าบอกเออมนุษย์คนนั้นก่อนเฟชชุวรนเขาก็บอกอย่างนั้นมาสั่งอย่างนั้นมาคืออยากจะหาคนที่รู้เทวธรรมออจากนั้นรักบทตัวนั้นเขาก็เลยหาของอย่างที่ไว้ให้นั่นนะให้อาบน้าําชําระกายเปลี่ยนเสื้อผ้าให้จากนั้นก็หาอาหารให้ทานพออาหารให้ทานเสร็จแล้วก็ตั้งอตั้งโต๊ะขึ้นมาให้เป็นธรรมมัดแต่แก ลาดวดท่นนานคนนั่งอยู่ต่ำที่ต่ำประนมมือฟังครโพริษัตยังะว่าตั้งใจฟังเราจะพูดให้ฟังเทวธรรมฟังนะท่านบอกว่าผู้ใดก็ตามผู้ใดก็ตามมีฮิริคือความละอายแก่ใจและก็โอดตปะความกลัวต่อบาปนี่ล่ะคือทเทวธรรมคือว่าธรรมธรรมันไม่ตาย ทุกคนมีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตระปาคือความกลัวต่อบาปอยู่ในจิตในใจคนนั้นแล้วคนนั้นแหละจะไปสู่สวรรค์ถ้าว่าคนใดก็ตามไม่มีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตระปาคือความกลัวต่อบาปไม่มีคนนั้นมีแต่ไปสู่นรกไม่เป็นอย่างอื่นท่านเข้าใจไหมรากบทนั้นจะมีแต่ซาทุกซาตุซาตุกท่านฟูเทวธรรมได้ถูกต้อง บัณฑิตก็บอกว่าไม่ใช่แต่รู้เทวธรรมเท่านั้นข้าพเจ้าปฏิบัติในเทยวธรรมอีกต่างหากข้าพเจ้าปฏิบัติได้อีกต่างหากไม่ใช่ข้าพเจ้ารู้เท่านั้นข้าพเจ้ามีความหิคือความละอายใหญ่ๆปุถะข้าพเจ้ากลัวต่อความชั่วทั้งหลายทั้งปวงอีกต่างหากจากนั้นก็นายลากบทนั้นก็ถามมาท่านจะเอาใครน้องชายของท่านข้าพเจ้าจับไว้ทั้งสองคน พระโพธิสัตว์ก็บอกอืมเอาน้องชายคนเล็กต่างยักษ์เขาก็บอกว่าท่านไม่เป็นธรรมที่ว่าเคารพเทวธรรมมีเทวธรรมในใจทําไมท่านจึงเอาคนเล็กตามไม่จริงท่านต้องเอาน้องน้องของท่านสิมันจึงจะถูกพอน้องอยู่ในมานรดาของท่านอันเดียวกันต้องรักต้องเอาน้องไว้ก่อดแต่ที่ทําไมท่านจึงเอาน้องคนเล็กน้องต่างมารดามา อันนี้แหละท่านไม่รักษาเทวธรรมข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่ท่านไม่มีเทวธรรมอยู่ในใจในที่ท่านมารักษาเทวธรรมแต่ท่านพูดออกมาเี่ไม่ใช่บัณฑิตบอกว่าฟังฟังข้าพเจ้าจะแสดงเหตุผลให้ฟังทำไมข้าพเจ้าจึงเอาน้องคนเล็กเพราะว่าน้องคนเล็กเนี่ยเป็นลูกต่างมารดาแต่นี่เขาวิ่งเข้ามาเขามากับข้าพเจ้า แต่ถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้าข้าพเจ้ากลับไปคนทั้งหลายก็ถามว่าน้องชายเล็กไปไหนเราก็บอกว่าลากปดจับไปกินแล้วเขาจะเชื่อไหมเขาคงจะว่าพี่สองคนเนี่ยต้องฆ่าน้องแน่ๆเพื่อจะมาครองราชมันเป็นมลทิงสําหรับข้าพเจ้าตลอดไปเพราะฉนั้นข้าพเจ้าทําอย่างนั้นไม่ได้ที่ยังไงให้ท่านเอาน้องชายคนเล็กมาให้ข้าพเจ้า ทางลากบทโอท่านเป็นธรรมท่านเป็นบัณฑิตอักข้าพเจ้าจะมอบใหทั้งสองคนแตก็ได้ส่งทั้งพี่ทั้งน้องให้ทั้งสองรวมก็เป็นสามได้ลากบทก็ถามว่าจะให้ข้าพเจ้าปฏิบัติยังไงพระโพธิสัตว่วานี่นะลาบบดที่ท่านเป็นลากบทอยู่นี้ก็ได้สวยกลมในอดีตท่านทํากลมไว้ไม่ดีในอดีตแล้วก็มา เป็นรากปรดอยู่นินอย่างนี้แล ะ, ะยิ่งจับสัตว์จับผู้คนกินอีกต่างหากบาปกรรมตัวนี้จะพอกพูนในตัวของท่านกว่าท่านจะหมดอายุในการเป็นรากโปรดนี้บาปกรรมของท่านจะทำไปมากไม่ขนาดไหนเนีเ่เพราะฉะนั้นท่านทางที่ดีท่านควรจะมีศีลห้ารักษาศีลห้าะจะดีที่สุดเพราะจะได้งดเว้นถึงยังไง ชีวิตนี้มันก็ไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนทั้งมนุษย์ทั้งอมนุษย์การล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในกฎอันตรจังคือของไม่เที่ยงแท้แน่นอ น, อนถึงวันหนึ่งก็ถึงจุดจบคือความตายเหมือนกันเพราะนั้นแตท่านจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องท่านจะไปเห็นแก่ความชั่วที่จะกินสรรพสัตทั้งหลายท่านงดรักษาชิ้นห้าไว้จะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับท่านตลอดไป ลาบดตัวนั้นก็ร้องให้รู้ถ้าเข้าไปเจ้ารักษาสินห้าเ ข, ข้าไปเจ้าจะกินอะไรทางบันญิีจะบอกไม่มีประทาเข้าไปเจ้าหาผลน้าหมากลากไม้เลี้ยงกินกันกินกันแล้วกันอจนถึงวันตายแล้วก็จบเท่านั้นจะไปกินดีกินดบกินดีอะไรไปกินดีถึงขนาดไหนพอตายอย่างเก่านั่นน่ะมีแต่เป็นบาปเป็นกรรมอีกต่างหากถ้าเรากินสัตว์กินมนุษย์เนี่ยะนั้น ลาบปลดกนั้นก็นยอมฮะยอมพระโพธิสัตว์จากนั้นก็นยอมก็เลยอยู่ด้วยกันเป็นสี่จากนั้นพอพระพิดาสวรรคตโดย ก, กลับเข้ามาผลที่สุดกับกพี่ชายใหญ่พ่อเด้ครองราชสมบัติก็ยกให้เป็นทั้งน้องชายอุปราชรักษาเป็นอุปราชก็คือผู้ครองผนเป็นน้องๆรักษาบ้านประเทศชาติด้วยกัน นี่แหละสรุปแล้วก็คือตรงที่ว่าการฟังธรรมเทศนาเนี่ยเราจะไปถือแบบพังแบบง่ายๆคิดแบบง่ายๆแหม่สูบบุหรี่แล้วก็ฟังเพ้อๆกินเหล้าแล้วก็ฟังอีกเพ้อๆเล่นไพ่แล้วก็จะฟังเทศอีกต่างหากเนี่ยมันไม่ถูกนะแหม่กินอาหารฟังอีกต่างหากอย่างไรแหม่เท่าฟังก็ต้องฟังด้วยความเคารพนะเอสถานที่ใดที่ความครบเราควรจะตั้งใจฟัง ในเมื่อตั้งใจฟังแล้วหลวงพ่อมั่นใจและเขื่อนว่าธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ฟังนั้นจะยั่งลึกเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราจะรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จักที่เราจะเอาถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะได้อย่างไรกิเลสกิเลสราคะมันเป็นตัวยังไงกิเลสกิเลสโทสะมันเป็นโจนยังไง กิเลสโมหะคือความรุ่มหลงมัวเมาเ ป, เป็นตัวอย่างไรพวกเราจะแยกแยะได้แต่ถ้าพวกเราฟังอย่างที่ว่านั่นะนะฟังมากต่อมา ก, ก็เคยชิงไปเรื่อยนะผลที่ถูกเลยฟังเหมือนกับเสียงนกเสียงกาไม่ใช่เสียงนกเสียงกานะเป็นเสียงพระธรร ม, มเทศนาเป็นธรร ม, มเทศนาที่สั่งสอนให้พวกเราให้รู้จักสิ่งดีดีชั่วนะเพราฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจฟังนะธรร ม, มเทศนาของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาไม่ใช่ของเล็กน้อยนะ mm. ถ้ า, าตั้งใจฟังถ้าใจฟังเราจะประสบความสําเร็จสมความมุ่งมาป่ปราถนาการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเราได้ฟังธรรมระเทศนาพระสงค์สมัยนั้นพวกเราได้ศึกษาได้ฟังในพระไตรปิฎกศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าประเทศในสถานที่ใดบางทีได้สําเร็จมรกสําเร็จผลพระเป็นร้อยเป็นพันเป็น4ี่หร้ย สองสามร้อยสี่ห้าสิบองศสิบยี่บองศ์พอฟังธรรมเทศนาก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะเหตุใดเพราะการฟังขันท่านเอาของจริงมาพูดมาพูดให้พวกเราฟังในเมื่อพวกเราฟังฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจฟังด้วยความใส่ใจฟังเพื่ออยากจะรู้อยากจะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจพวกเราฟังแล้วก็ น, นั่น <S <S อแล้วก็ปล่อยวางที่จิตที่ใจของเรา กิจใจขอเราก็จะหลุดพ้นจากหาสวะกิเลสในการการฟังนะการฟังเหมือน่อเราเข้าใจเวเราไปฟังครูบาอาจารย์แห่ทีท่านเขาสอนให้เราแห่งดิคเซอให้เราเราก็ฟังาการเข้าใจพอเข้าใจแล้วกจบในการแนะนําสั่งสอนเออไม่ต้องนั่งสมาธิฟังเราฟังอย่างนั้นก็เข้าใจแล้ว แต่ถ้าว่าเรายังไม่เข้าใจเราก็กลับมานั่งสมาธิอีกกันกลองไตรตรองอีกที่เราได้ฟังจากครูบาอาจารย์เมานั้นเป็นยังไงมีเหตุมีผลไหมมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะจากนั้นพอทบทวนเสร็จแล้วก็เราก็ปล่อยวางะจิตใจของเรากระดุบพ้นจากอาสวะกิเลสอันนั้นก็มีอยู่มากเหมือนกันนะเพราะฉนั้นสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเปิ่งต้นว่าอ่อ า, านิสงส์แห่งการฟังธรรม ผู้ฟังทาย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอแล้วก็อันสุดท้ายว่าขณะที่ฟังจิตของผู้ฟังก็ได้รับความผ่องใสนะนั้นการฟังธรรมเทศนาหรือว่าการได้รับการอบรมอ่านหนังสือด้วยการศึกษาธรรมะจากธรรมลิขิตของครูบาอาจารย์จะเกิดประโยชน์มากเพราะเราจะได้นําแนวความคิดของท่านมาปรปับปรุงกายว า, จายใจของเรา ในเมื่อเรานํามาปรัปุงกายวิจัใจของเราเราจะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รู้ได้เห็นนะนี่แหละอันนี้คือการฟังมีทั้งเรื่องทานมีทั้งเรื่องศีลมีทั้งเรื่องภาวนามีทั้งเรื่องที่จะชาระจิตชําระใจให้ถุดพ้นจากอาสวะกิเลสอีกตางหากนะะะเพราฉนั้นต้องอาศัยการฟัง น, ะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพูด ท่านเทศนาว่าการท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านบอกว่าวิรดเยทุกขมัตเจติผู้จะล่วงทุกได้เพราะความเพียรความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นเพราะนั้นเรามีความเพียรเราพิความพยายามเพียงพอหรือยังไม่ว่าแต่คดีโลกหรือคดีธรรมถ้าะั้ว่าพวกเราอยู่ทางโลกเรามีความเพียรเรามีความพยายาม เขาประสบความสําเร็จได้ในหน้าที่การงานนั้นๆแต่ถ้าพวกเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีความอดทนแต่ทำอะไรรอๆเลยๆไรๆรอ ๆ, ๆ, ๆ, ๆอะผลที่สุดก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอที่พอที่จะสําเร็จรุ่งร่วงไปได้พอที่จะมั่งมีสีสุขมีอยู่มีกินได้พวกเราก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะพวกเราขาดความพยายามขาดความเพียร เพราะนั้นความเพียรวิริยาตัวนี้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มากมาย อ, อ, อย่างในชาดกหลวงพ่อก็ได้ศึกษาได้อ่านในพระไตรปิฎกท่านบอกว่ามีเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราเไปเกิดในตระกูลพ่อค้าเกวียนแต่ท่านเกิดที่ไหนท่านก็ฉลาด พระเอกไตรโพิษัทเนี่ยท่านได้สั่งสมบารมีมามากต่อมากแล้วไอ้ที่ท่านเอามาพูดเนี่ยคือท่านที่ฉลาดเพราะงั้นที่ท่านบำเพ็ญมามากแล้วไอ้จวนแล้วเนี่ยห้าร้อยชาติเนี่ยแต่จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะนั้นท่านเกิดมาถ้าเกิดเป็นฉัตว์ิทักษ์สารก็ฉลาดกว่าฉัตรพิทรกษารเกิดเป็นช้างกว่าสลาดัดกว่าช้างทั้งหลายทั้งปวง เกิดเป็นเทวดาก็าเป็นเทวดาที่ฉลาดกว่าเทวดาทั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ฉลาดถ้าเกิดเป็นสัตวประเภทไหนก็ฉลาดกว่าสัตวประเภทนั้นเพระพระโพธ่สัตว์นี่สั่งสมบัลลีมามากทั้ทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งกันติปิริยะ อ, อดทนครบหมดทุกอย่างบัลลีสิบรรทัศน์ของท่านสิบทัศยี่สบทัศสามสิบทัศ ทำไมจังหวะสามสิบทัศน์คือวฐานะปรามสัมปันโนอีกิป็โสทานะอุปปรมีฐานะปรมัตถะปรมีฐานก็มีสามสีลปรามีสีลอุปปรมีศี่ละปรมัตถะปรามีสรุปก็คือบารมีสามสิบทัศน์แต่มีเคร่งกลางหย่อนเพราะฉนั้นจึงเป็นรวมแล้วเป็นสิบถ้าว่าเคร่งได้ก็ดีถ้าเคร่งแล้วขั้นการ ถ้าเท่งมาทางก็ขั้นย่อนแต่ถึงอยู่ในอยู่อยู่ในเขตของบา ร, รมีอยู่อันนี้บอกบา ร, รมีสามสิบทัศนะในพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดมาในชาตินเป็นลูกของหัวหน้าพ่อค้าเกวียนแต่นี้ท่านเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นหนุ่มขึ้นมาพ่อก็สอนวิชาอาชีพให้วิธีการเป็นหัวหน้าเนี่ยรอบครอบอย่างไรอย่างเวลาเดินเกวียนเดินอย่างไร เวลาไปคาขายทําอย่างไรพอได้รับสอนท่านก็มีแววแห่งความรู้ความฉลาดในตัวของท่านเหมือนกันพอได้รับคำเท่านั้นไม่ต้องเตือนทุกคําพูดเพียงแต่เตือนเพียงคําเดียวให้เราคอบทะลูกนั่นรอบคอบคืออะไรท่านจะตีแผ่ไปหมดเลยความรอบคอบในการเป็นอยู่รอบคอบกับลูกน้องรอบคอบกับการอยู่การกินรอบคอบกับสินค้าทุกประเภทที่เราจะน้องนำไปขาย ก็ว่ารอบครอบหนึ่งกรรมนี้ให้รับผิดชอบในลูกหน้าเขามารับผิดชอบเขานี้จะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอีกเหมือนกันแห่ความรับผิดชอบในหมู่เกวียนความรับผิดชอบในพนักงานความรับผิดชอบในสินค้าอันใ้ความรับผิดชอบของท่านท่านก็รอบครอบอีกเอนี่แหละอันนี้ก็คือผู้มีปัญญาเพียงแต่พ่อแนะนําอย่างเดียวเท่านั้น่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มไปหมดพผู้มีปัญญาะทางว่าผู้ไม่มีปัญญากะย่างวาน รอบคอบอะไรพ่อใช่ให้มันขยันอะไรพ่ออยู่ผลในสุขกะถามพ่อทั้งหมดผลในสุขมันพ่อมันรู้จะถอนอยังไงอีกเหมือนกันแววแห่งความฉลาดแววแห่งความรับผิด ช, ชอบแห่งความเฉลียวฉลาดมันสอนได้ในระดับหนึ่งนะถ้าว่าผู้มีปัญญาคล้ายๆ่าผู้ที่มีแววมีอัจฉริยะในตัวของเขานะเขาจะรู้ว่า ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อมาอยู่ในสถานะนี้นี้นั้นนนัน้เรื่องนั้นนั้นนี่แหละพ อ, พอโพธิสัต ท, ท่านพ่อเกิดมาอย่างที่ว่านพ่อสอนเสี็จเทพบทีบ่ต่อมากับเป็นหนุ่มจากนั้นก็รับผิดชอบเวียนห้าร้อยเล่มทางม้าด้วยทำไมนั้นใช้มา้าเพราะมันข้ามทะเลทรายแต่นี่ยเราพระโพธิสัตเราเตรียมน้ำนะอย่าให้ขาดตกบกพร่อง เราจะเดินกลางคืนนะกลางคืนมันเย็นกลางวันเราจะพักเพราะมันร้อนเอเดินกลางวันไม่ไหวหรอกตายเลยพวกสัตว์ยตากแดดต้เกียบทะเลทรยายไปเรื่อยไม่ไหวกลางวันมาให้จัดพักผ่อนกินหญ้ากินน้ําที่เอามาพอตกกลางคืนพอเย็นเย็นเนี่ยสี่ห้าหกโมงเย็นเอาเดินนะพอเดินไปก็ดูดาวไปเรื่อยดาวในท้องฟ้านี่ยสาคัญมาก หน้านี้เดือนนี้ดาวมันอยู่ทางไหนเอดาวช้างดาวลูกไก่ดาวอะไรดาวมีอะไรพวกพอคาเนี่ยเขาเดินทะเลทรายเขาจะรู้ว่าเราจะเดินไปทิศไหนเมืองนั้นมาอยู่ในทิศไหนของดาวตัวนี้อันนี้เขาก็เดินแกลางคืนมาก็เดินพอถึงกลางวันแล้วก็หยุดทับพักทับแล้วก็เดินอีกทีนี้บอกว่าเออเราเดินมานี่มาถึงจุดนี้แล้วเขาบอกว่าอีกไม่นานนะจะถึง พระนั้นพวกน้ำพวกอะไรก็เทเท ท, ทิ้งก็ได้แตเพราะว่าถึงแน่ๆนี่ทีนี้ก็พวกนัก้นก็เออเอาพอพอค่ําแล้วก็เดินเล้พอเดินไปอหัวหน้าเกวียนที่เป็นนายหน้ามันหลับทีนี้หลับงี่ไปว่างั้นเ่ะพอหลับไปทีนี้ม้ามันก็เอียงไปข้างเลยทีนี้มันไม่ไปอย่างที่ตัวเองอยากจะไปมันกระตับไปตามที่มันอยากจะไปเยีย มันก็วกมาหาทางเก่าเทอเทามานเดินไปพอตื่นขึ้นมาตายมันจวนสว่างนะมองดูท้องฟ้าตาตาตาตา ต, ตมันผิดที่ผิดทางเลยเนีน่หันหลังกลับไปอีกพวกนั้นโอ้ยบุญอุปอับเลยจะเนี่พวกที่ตามหลังไปโดยในสุขมันไม่ถึงที่จนะเนี่ยพอไปถึงก็จอดพอจอดกนมาน้ํทิึงที่มันจะเหลือเฟือที่จะต้องไปใช้มันกันถามก็ ร้อยหอลออะย่างเงยพระมันจะถึงที่แล้วมันไม่ถึงนะมันจะต้องไปอีกนะอีกวันหนึ่งอะคนมันจะแย่เลยพระโพธิสัตว์ที่นั่งโอ้ทำยังไงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเนี่ยผู้ฉลาดเนะี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็เดินเดินในทะเลทรายเดินเดินเดินไปไปเห็นกอหญ้ากอหนึ่งใบเขียวก็วกวกะดิ่งนะเออ โบราณเขาบอกว่าที่ไหนมีหญ้าที่นั่นมีน้ําน้ำมันต้องอยู่ใต้กอหญ้านี่แหละมันยังเขียวยได้อย่างนี้ถ้ามีแต่ทรายอย่างเดียวมันจะเขียวได้อย่างไรอา้าวก็เลยบอกบริวารที่เป็นลูกน้องกําลังแข็งแรงกํำยำเหมืองกันแต่เอาขุดตรงนี้ต่างคนก็ต่างขุดขุดขุดลงไปจนถึงพื้นหินเท่านี้แล้วขุดลงไปถึงพื้นหิน โพนั่งเห็นพื้นหินก็นทำไงอ ย, ยอมแพ้เอางั้นเถอะตายมันเหนื่อยจนพอแรงนะหาน้ําไปกินก็ไม่ไม่ไม่ได้เลยพอโพธิสัตวเอาหูลงไปฟังในแผ่นหินอนะีกละเอาหูจําจุดลงไปมันน้ํามันไหลอยู่ฟิวเนยนะอยู่ใต้ก้อนหินเหมือนงั้นเอะพระโพธิสัตว์น้ํามันอยู่ในตอนก้อนหินมีนะเออเอาผู้ที่มีกําลังหาแท่งเหล็กมาคือแท่งเหล็กเข้าก็อยู่ในรถ แล้วคงจะทําเป็นเอพลาพวกเพาเกลียนพว ก, พะ ก, พะกอะไรลมรอือไอ่ก็มีสํารองเอาไว้เอางั้นเอามากระแทกเลยจะมีออกมาสามสี่คนก็ยะกระแทกอย่างแรงแผ่นหินแตกพอเห็นแตกน้ำก็ไหลทุ่มขึ้นมาพอขึ้นมาก็แทกอีกให้มันกว้างๆจะงั้นพวกนั้นก็เลยได้กินน้ําทั้งวัวทั้งคนเหมือนกนนี่แหละ อ, อันนี้คือพระโพธิสัตว พอกินน้ำเสร็จแล้วเอาไปพักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วอพอค้ำค้ำเอาเดินทับต่อไปกระสั่งบริวารเออพวกท่านทั้งหลายไปลาขายของนะอจะไปขายเกินกําไรพอได้กําไรแล้วก็พอแล้วเอกําไรขนาดไหนเอาขนาดที่พอนะสินค้าแต่ละตัวนะได้พวกท่านทั้งหลายให้ยิ้มแย้มแก่มใสต่อคู่คนนะเมื่อเขาเมื่อเรายิ้มต่อเขาเขาก็ยิ้มต่อเราอเราโกรธให้เขาเขาก็โกรธให้เรา ถ้าเราพูดไมดีกับเขาเขาก็พูดไมดีกับเราพวท่านคล้วยนั้นพวกท่านต้องสำรวมต้องระวังต้องเป็นคนดีอต้องยิ้มให้เขาก่อนที่จะขายของนะนพระโพธิสัต์ท่านสอนสอนบริวารไอ้จากท่านบริวารไปถึงที่ก็ขายของสําเร็จจบความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาพอขายของได้หมดเลยเลยนี่แหละพระพุทธองค์ท่านบอกว่า วิเลย์เยทุกขมัดเจติผู้ล่วงทุกได้เพราะความเพียรถ้ามีความเพียรถ้ามีความพยายามอยู่ก็ไม่เหลือวิสัยต้องได้สำเร็จการทำมาหาเลี้ยงชีพของพวกเราก็เช่นเดียวกันเราจะกอมืองอเท้ายิ่เฉยไม่มีความพยายามไม่มีความเพียรจะสำเร็จได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเพรา ะ, ะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะให้ฟังเอาไว้ การทําความภาคเปลี่ยนการเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันให้พวกเรามีความพยายามมีความเพียรมีความตั้งใจจริงอะอย่างวันเนี้ยวันพระเนี่ยอพวกเราก็นอนมาหลายเดือนหลายปีแล้วเราจะอดดูสิทั้งวันดูสิทั้งคืนดูสิคืนนี้ยเอาเนเชชชีดช่ดูสิไม่ต้องคุยกันจะไปคุยกันนะไปละถือเนเชชชีถ้าคุยกันไปแล้วมันเกิดสัญญาอารมณ์ขึ้นมาอีก ยังไม่ดีเราไปนั่งภาวานาอยู่ยตามลําพังอยู่ในจิติปฐานสิกอย่างที่หลวงพ่อพูดบาต้นอยู่ในกายอย่างเดียวกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทธโธพุทธโธกายเวทนาจิตอ่ยเวทนาหรือว่าอยู่ในผู้รู้อย่างเดียวรู้ทำทดลองอยู่หลายๆอย่างพวกเราจะถูกกับเจริญอะไรแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลูกปู่มันท่านให้กําหนดดูกายนี่นะทดลองดูซิ ใช้ความเพียรดูซิใช้ความพยายามดูซิใช้ความอดทนดูซิในการเป็นอยู่ น, ะนี่แหละจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนาของหลวงปู่หลวงตาในคืนนี้ทดลองดูพอฟังเท้รกน็นั่งภาวนาต่อตามลำพังนี่แหละให้มันมีครั้งให้มีคราว ไม่ใช่ว่าทำอย่างไรก็ทำอย่างเก่าอย่างเก่าอย่างเก่าให้ทำอย่างเก่ามันก็ได้อย่างเก่าเลยสิอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนะพ่อปันเก่าอีตเาเล่ไปไท่กลับมาบานวลาลนคือเกอนะ่าไงเพราะอะไรเพราะทำอย่างเก่ามันก็ได้อย่างเกนะ่าไปที่ไหนกลับมากของวลาล์นอย่างเกนะ่าเพราะนั้นพวกเราจะให้เป็นอีตเาเนละ่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุง มีความเข้มแข็งเข้มข้นในตัวเป็นบางครั้งบางคราวถ้าได้สม่ำเสมอก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้สม่ำเสมอก็ยังไม่ใช่ว่าละแหละละแหละละแหละมันจะมีจะเห็นน้ำได้อย่างไร<ม>เห็นไหมพระโพธิษัตว์ท่านก่อนที่ท่านจะได้น้ำมาดื่มท่านมีความเข้มแข็งขนาดไหนท่านใช้สติปัญญาขนาดไหนอาหูฟังในแผนเห็นเยจากนั้นก่อนได้รวมพลังกัน เหนื่อยพ่อแรงพวกขนทั้งหลายเหนื่อยแต่ก็ขอร้องว่าเอากระแทกตัวซิกระแทกเหล็กลงไปเลซิแให้แผ่นหินนี่มันแตกพอกะแทกหินแตกเท่านั้นน่ะนั่นะคือความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยอยากจะให้พวกเรามีความพยายามในการทำความภาคความเปลี่ยนของพวกเราอย่าไปอยู่เฉยเฉย เ, ฉยเฉยมื่อยม่อยทำอย่างเก่าประวันนี้ก็ทําอย่างเก่า มันไม่กระเทือนนะมันไม่สะดุดนะแต่พวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่ผมว่านะอย่างน้อยก็ได้รับความสงบทางท่าน จ, จิตใจนัติสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะได้ริมรถด้วยตนเองคนะัไม่ใช่ว่าเราจะได้ฟังอย่างเดียวเท่านั้นะ เ, รเราได้ริมรถเมื่อเราได้ริมรถแห่งความสงบแล้วพวกเราจะโอ้ภาคภูมิใจอย่างมากบัด พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาธรรมกราดไว้ชอบจริงๆฮนะ้พวก อ, อะไรพอเราปฏิบัติดูแล้วเ อ, อเป็นความสุขที่แท้จริงจริงเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเพราะ น, นั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะไอ้ฝูดทางนี้ทางนั้นคือว่าเป็นการแนะแนวเป็นการบอกกล่าวให้พวกเราให้มีความอุตสาหาะวิญญาณให้มีความอดทนและให้ความมีความมุ่งมั่น ในศีลในธรรมให้เป็นพระที่ดีญาติโยมที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมอยู่ในสถานที่ใดให้มีคติอัตตาอย่างที่บันติดที่ท่านสอนลากบทอย่าทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องจนเกินไปให้เห็นแก่ธรรมพ่อเลี้ยงดีขนาดไหนชีวิตเี่ก็จะต้องตายอยู่แล้วตายแล้วไม่สูะบาปกรรมยังติดตามตัวเองไปอีกนะ เพราะนั้นถ้าเราทำคุณงามความดีแล้วสวรรค์เป็นเบื้องหน้าแต่ตายสลายลงไปก็เข้าเราเข้าไปสู่สุคติโลกสวรรค์การพูดการแนแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตน์ไตรประพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศีลธรรมเขาขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาดปราถนาทุกประการ